เรนี้ก็จะพูดเรื่องราวต่างๆคือเรื่องจริงไม่ใช่นิทานเมื่อสมัยประมาณ80ปีก่อนที่ชาญเมืองแห่งหนึ่งได้มีการนิมนต์พระมาพูดธรรมะสามธรรมะเมื่อสมัยก่อนนิยมกันมากโดยตั้งประเด็นถามใบาถามมาแล้วแต่ศรัทธาญาตโยมจะนิมนต์ใครมามาใยญาย่ทำโดยไม่ได้นัดหมายชอบองค์ไหนก็นิมนต์มา ญาติโยมก็มาฟังทํากันมากมายโดยวันนี้ได้ตั้งประเด็นเรื่องอาทิตตปริยยสูตรเรื่องไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้เป็นประเด็นที่พระทั้งสามท่านต้องแสดงไฟลักฆ่าก็พรารูปแรกก็แสดงไปพระรูปที่สองก็ถามถามตอบอย่างไหลลื่นญาติโยมก็ชอบใจขันพรารูปแรกแสดงไฟลัคะจบ ถึงคิวพระรูปที่สาจะต้องแสดงเรื่องไฟโทสะแต่พระรูปนี้ก็ไม่ยอมแสดงนิ่งเฉยสร้างความแปลกใจให้กับญาติโยมมองพระรูปนี้เป็นจุดเดียวกันสักพักหนึ่งพระรูปนี้ก็แสดงสีหน้ากลางโกดในตรงในตาแบบขวางเหมือนไม่เห็นมิตรเลย พระลูกที่สองก็เชิญเชิญให้พูธรรมะพรารูปนี้เอ่ยด้วยเสียงอันหนักแน่นว่าส้นตีนสร้างความตกกระลึงแก่ญาติโยมและพระที่ร่วมบรรยายชาวบ้านก็คิดว่าเอ๊ะไขหนอนิมนต์พระบ้ามาพูธรรมะทำให้บรรยากาศของงานเสียหมดช่างทำกันได้เหตุการณ์ผ่านไตรมาสหนึ่ง พระท่านนี้ก็ค่อยๆขายสีหน้าโกรธกลับมาปกติแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าส้นตีนกับฝาบาทเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเสร็จแล้วก็ตั้งนโมพูดธรรมะเรื่องไฟโทรศาสจนจบที่จริงส้นตีนกับฝาบาทหรือใต้ฝา่าละอองธุลีพระบาทก็คล้ายกันแหละเป็นภาษาแต่การแสดงอารมณ์นี่แหละทำให้คนมองเป็น ไม่พอใจหรือโกรธได้ทั้งที่ภาษาภาษามันก็ไม่ได้หยาบอะไรแต่กริยาที่ท่าทางที่แสดงออกไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ผู้พูดเนี่ยแสดงธรรมะสดๆให้เห็นถึงอารมณ์ความโกรธจริงๆไม่ใช่จำอย่างหนังสือมาพูดทําให้คนฟังเนี่ยได้รู้เอ้ยอันนี้คือความโกรธนะทําให้ประทับใจกว่าคือ ฟังแล้วก็จำไม่ลืมมาเล่าต่อกันไปมีพระรู้จักกันชื่อว่าอาจารย์สุรวุตรอาจารย์สุรบุตรเนี่ยจะเป็นเป็นกระยา ม, มิตรกับอาจารย์หมออาจารย์หมอนี่ก็เป็นเจ้าสํานักสงเล็กๆแห่งหนึ่งแกก็อยู่กับน้องสองคนน้องก็เพียเพ้ยนๆแต่ภาษาเยอะแล้วนะสามารถกว่าอาจารย์สุรบุตรวันหนึ่งอาจารย์สุรบุตรก็ไปเยี่ยมอาจารย์หมอ คุยกันอย่างถูกคออาจารย์หมอก็คุยต้อนรับอัคคุกกาอย่างดีอันนี้สร้างความไม่พอใจให้กับน้องชายพาน้องชายมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยพระน้องชายจะเหงาว้าเวทําให้รู้สึกว่าอาจารย์สุรวุฒิมาแย่งความรักจากชาพี่ชายไปด้วยความลืมตัวขาดสติขณะที่อาจารย์สุรวุฒิกาลังคุยกับอาจารย์หมออยู่นั้นเกล้าปีว่าตบอาจารย์วุฒิเต็มแรงเลย จนอาจารย์สุรวุธเนี่ยพั ง, งะไปต่างฝ่ามือสักพักหนึ่งแกได้สติขึ้นมาเนี่ยรีบวิ่งไปเอาสังขติแล้วมากราบขอเข้ามาแต่อาจารย์สุรวุธก็ยกโทษให้นะเราก็ทำมาเห็นว่าโอ๊ยบางทีกว่านจะบวชได้นานเนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กระทบทะราะวิวาอความเข้าใจผิดขนทางนักบวช บางครั้งไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบเจออุปสรรคมากมายถ้าคนที่บวดรยาสั้นจะไม่รู้เพราะว่าศึกไปก่อนถ้าคนบวชนานจะเข้าใจถึงสิ่งนี้แล้วจะได้ประสบการณ์ชีวิตอีพัาอีท่านหนึ่งตื่นขึ้นมายามเช้าเนี่ยกำลังงวงเงียงงวงเงียเลยก็มีเสียงว่าวาตื่นตื่นตื่ น, นงงงอยู่นะแล้วก็รู้สึกวเอ๊ะอะไรนุ่มๆขยี้ที่หน้า อา้าตีดิเองขณะนั้นอาจารยม์มหาเนี่ยใช้วิธีปลูกลูกศรแบบเซนไงเอาตีเนี่ยเขาเขี่ยที่ใบหน้าแล้วก็เรียกว่าตื่นตื่นตื่นอยู่ น, นั่นแหละหลวงพี่ท่านนี้โกรธมากจะต่อยอาจารย์แล้วแต่แทติได้สติขึ้นมาเอาอาจารย์สอนธทมเรานี่ให้เราเห็นให้เรารู้ทันความโกรธให้เราไม่โกรธก็เลยไม่โกรธอาจารย์อันนี้คือการสอนทำแบบฉับพลัน ให้เหี่ยวมสดๆเลยหลวงพ่อชาก็ใช้วิธีกับลูกศิษย์เมื่อก่อนมีพระฝรั่งอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่ายานะธรรมโมถ้าจ ะ, จะไม่ผิดสมัยที่เป็นพระใหม่ภาษาหนึ่งแกก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ยินดีวันหนึ่งไปบิทบาทกับพระฝรั่งด้วยกันเนี่ยพระฝรั่งก็ พระรูปนูปร้รูปนี้องค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็ไม่ถูกใจจนพระท่านนี้รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นพระด้วยกันทำไมไม่เมตตากันเลยรู้สึกไม่พอใจพระฝรั่งรูปนี้เดินไปคิดไปตลอดทางคายบิจบาเสร็จกลับวัดก็เดินผ่านกุฏิหลวงหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเห็นเข้าก็ยิ้มแล้วก็เอ่ยขึ้นว่า Good morning! พ o o d m o r n ิ n g พระฝรั่งท่านนี้ เมื่อกี้อารมณ์กาลังขุ่ น, ม, นมัวโกรธอยู่เลยดีใจขึ้นมาโอ้โหครูบาอาจารย์ทักก็เลยกล้มพนมมือ g o ดมอ o r น i ิ่งครับหลวงพ่อวันนั้นแกก็ดีใจทั้งวันคันถึงตอนเย็นก็เข้าไปหาหลวงพ่อเพื่อขอนวดถวายตอนนั้นก็ประมาณหกโงเย็นได้เวลาทำวัดลนะหลวงพ่อก็ไล่ไปทำวัดแกไม่ไปอยากนวดถวายหลวงพ่อก็เออเ อ, อนวดก็นวด ขณะนั้นเนี่ยกเกิดปิติมากเลยนะโอ้โหได้รับใช้ทำบุญถวายการนวให้แก่พระอรหันต์เสียงสวดมนต์ก็แว่วมาเหมือนเสียงสวรรค์นเนี่ยตอนนั้นจิตจิตใจกำลังดื่มดำ่ำกับความสุขขณะที่กำลังเผออยู่นั้นหลวงพ่อช้างกถีบที่หน้าอกเต็มแรงจนผ้ารุมเนี้ยกระเด็นลงไปกองกับพื้นเลยหลวงพ่อช้าก็เอ่ยขึ้นว่าเมื่อเช้าอีกคนนึงพูดไม่ดีเราก็โกรธ อีกคนดึงชมว่า Good m o r n ิ n g ก็ดีใจจำไว้อย่าไปหลงโกรธก็หลงชอบใจพระฝรั่งท่านนี้เกิดความซาบซึ้งใจมากเลยประทับใจให้ลูกทีหลงพ่อชาก็จำมาตลอดชีวิตคิดขึ้นมาแล้วน้ำตาจะไหลอันนี้คือเมตตาของหลวงพ่อชาที่แสดงธรรมแบบสดๆสมจริงสมเด็จพู้จา์โตก็เหมือนกันท่านจะแสดงธรรมแบบที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนท่านอยู่สมัยยุครอสีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปพูดธรรมะ ส, สองธรรมะกับพระพี่โมนธรรมหรือเจ้าคุณถึกเจ้าคุณถึกเนี่ยได้ตั้งหัวเรื่องว่าโทโสเป็นกิเลสสำคัญทำให้ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเสียเงินเสียทองเสียน้องเสียพี่ เสียที่เสียนาเสียเยี่ยมเสียแต้มคนที่รู้อำนาจแก่โทโสให้ทุกข์ให้โทษมากมายกับเจ้าของคือหลังจากเอ่ยเสร็จเนี่ยเจ้าคุณถึกก็หันไปถามหลวงพ่อโตซึ่งมีสมณศักดิ์สูงกว่าคือหลวงพ่อโตเป็นสมเด็จนะโดยถามว่าโทโศเกิดเมื่อใด เกิดที่ไหนก่อนครับขอให้ช่วยแก้ให้ขาวข้านั้นหลงวงพ่อโตเนี่ยแกล้งทําเป็นนั่งหลับไม่ได้ยินเจ้าคุณถึกถามอีกสองสามรอบก็ไม่ได้ยินแถมกลนเสียงดังด้วยจนเจ้าคุณถึกชักโมโหจึกตวาดแล้วตอนนี้ถามก็ไม่วังแกล้งนอนหลับอีกสองสามครั้งจนหลงวงพ่อโตเนี่ยเมื่อกี้แกล้งหลับตอนนี้แกล้งตื่นแล้ว แล้วก็ด่าออกไปเลยตื่นปุ๊บไอ้เป็ดไอ้หาไอ้กากไอ้ถึอกวนคนหลับเจ้าคุณถึอได้ยินเช่นนั้นก็โกรธจนลืมตัวที่หลวงพ่อโตบังอาจมาดา่าฟ้ากระโโถดินเผาอยู่ข้างๆตัวเนี่ยเฟี้ยงไปที่หลวงพ่อโตแต่เผอิญโชคดีที่เกลี้ยงไม่โดนหลวงพ่อโตนะไปโดนเสาแตกดังเพราะอันนี้สร้างเอาตกตะลึงให้กับญาติโยมที่ฟังธรรมอยู่แต่หลวงพ่อโตท่านกลับนิ่งสงบหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักพักหนึ่ง ท่านก็เอ่ยขึ้นว่าโทโสโอหังเกิดขึ้นเมื่ออธิษฐาลมเช่นรูปไม่น่าดูเสียงไม่น่าฟังกลิ่นไม่น่าดมสัมผัสที่ไม่สบายความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทําให้เกิดโทโโแต่โทโสนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่โง่และเพิ่มสติเช่นเจ้าขุนถึก เป็นต้นขันเผลอสติก็แสดงให้ก็อยู่รู้ว่าตัวเองกำลังโกรธพอโกรธก็ขาดการสังวรลืมตัวจากพระกลายเป็นโพทำให้กระโถนแตกเป็นต้นท่านก็เอาเจ้าคุณถึงอ่ะเป็นตัวอย่างสอนญาติโยมที่จะฟังทำจนญาติโยมเนี่ยเข้าใจเรื่องความโกรธหรือโทโสได้ดีอันนี้หลวงพ่อโตใช้ เจ้าขุนถึกเน่ยเป็นอุปกรณ์สอนธรรมใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ความโกรธถ้าเราใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นเป็นโทษมหันฯบางครั้งพระที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นพระอธิยบุคคลแล้วอยากกระโปรดคนอื่นสอนคนอื่นให้บรรลุธรรมเหมือนตัวอย่างเช่นเรื่องนี้หลวงตาพวงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลอตุโลท่านอาบวัวตอนแก่ท่านก็ขยันทำความเพียรมาก ทวันทังคืนเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วใกล้ควารรมตายเข้ามาลุกทีจะต้องใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยการที่ท่านฝรั่งผมเพียนมากๆเนี่ยจิตมันก็รวมแล้วเกิดเป็นสมาธิเกิดปิติต่างๆแล้วก็เกิดวิปัสสนูกิเลสทําให้ท่านคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์พอคิดแบบนี้เนี่ยก็เลยมองหาคนที่อยากกระโปรด หน้าหลวงปู่ดุลก็ลอยมาเราต้องไปโปวดหลวงปู่ดุลเป็นคนแรกพอคิดได้นั้นจึงตั้งใจเดินทางไปหาหลวงปู่ดุลงทันทีตอนนั้นหลวงตาพวงอยู่ที่พนมลุงเดินทางไปวัดบุรพารามเจ้าสุรินเนี่ยก็ระยะทางมา80กิโลนะ80กว่ากิโลหน่อยๆแกก็เดินทั้งวันเลยไปถึงวัดบุรพารามก็ประมาณเที่ยงคืนไปถึงก็มุ่งหน้าไปที่กุฏิหลวงปู่ดุลโกรเรียกเลย หลวงตาดูนหลวงตาดูนผู้รู้มาแล้วหลวงปู่ดูล็ออกมาจากกุฏิโดยปกติเนี่ยหลวงตาพัวจะกราบหลวงปู่ดูลแต่งวนนี้ไม่กราบแถมยังจะให้หลวงปู่ดูลกราบด้วยเนี่ยผู้สําเร็จมาแล้วเนี่ยหลวงตาไม่กราบเออหลวงปู่ดูลก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็นิ่งเฉยปล่อยให้หลวงตาพัวพั่มเพลิไปแล้วก็ถามปัญหาธรรมะหลายข้อหลวงตาพัวก็ตอบผิดๆถูกๆคือรู้ไม่จริงไง หลวงปู่ดูลนก็ให้เนยเนี่ยพาไปพักที่โบสถ์แต่หลุงตาพวงกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นกลับไปไปปลุกพระที่เคยรู้จักกันเนี่ยให้มาฟังธรรมะจากตนเองเพื่อจะได้หลุดพ้นสร้างคาวุ่นวายกับคนทั้งวัดเลยเป็นแบบนี้ต้องสามวันหลวงปู่ดูลนพูดดีก็แล้วใช้ไม่อ่อนยังไงก็ไม่ได้ผลจนในที่สุด จึงจะตัดสินใจต้องใช้ไม่แข็งหลวงปู่ดูลเยอเอ่ยกับหลวงตาพวงว่าออสัตว์นรกสัตว์นรกไปพนอาจจะกุติไปหลวงตาพวงได้ยินดังนั้นก็โกรธโกรธอยู่ตัวสัน่นกูไปก็ได้หลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูด้วยความดีตัวนี่แกก็หยิบไม้ไม้แบกขึ้นบ่าคิดว่าเป็นพวกกฎนะแล้วเดินไปที่วัดใกล้ ด้วยความแรงของอำนาจของความโกรธเนี่ยทำให้หลุงตาพวงเนี่ยรู้จักอารมณ์วิปัสสูได้เอ๊ะพระอาหารทำไปโกรธหลังจากรู้จักอารมณ์เนี่ยก็สัานึกผิดพตอนหลังก็ไปกราบหลวงปู่ดูลขอเข้ามาอันนี้ก็เป็นอุบายสอนธรรมของหลวงปู่ดูลีนะความโกรธถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ ถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษทหารเลยทําให้คนทะเลาะเบาแหวงกันฆ่ากันติดคุกติดตารางได้ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยทําให้คนเนี่ยเห็นอารมณ์ว่าความโกรธน่าเกลียดน่าชังแค่ไหนเราจะไม่ทําแบบนั้นอย่างตัวเรามาก็เห็นพระทะเลาะกันเห็นพระต่อยกันเห็นคนทะเลาะกันแบบลืมตัวเนี่ยกระตาเนี่ยเราก็รังเกียจ น, นะบางทีเฮ้ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดแต่บางทีเราก็โกรธนะความลืมตัวเราก็สอนใจตัวเองตลอดอะว่าเฮ้ยความโกรธเนี่ย มันไม่ดีนะถ้าเราโกรธใครเราต้องอยวงห่างตั้งคติอย่าไปทะเลาะเบาแหวกเด็ดขาดเพราะความโกรธมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแต่ถ้าเราเป็นท่าของมันเนี่ยเราจะไปทะเลาะเบาแหวงยิงข้างหนักก่อนด้านลงมือลงไม้เนี่ยไหชนะมาเยือเลยความดีเราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยจะล้มละลายหมดเลยด้วยอารมณ์ความโกรธเพียงชั่วพริบตาเดียวนั้นอย่าไปท่าของมันความโกรธก็ช่วยคนบรรลุธรรมได้อย่างเรื่องนี้ ที่ประเทศจีนลินไซเป็นสิทธิ์ของครูบาฮวงโปรครูบาหงโปเนี่ยก็เป็นหลานสิทธิ์ของเว่ยหลางก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมีรูกศิษย์ลูกหามากมายลินไซเลยเป็นคนหน้าตาดุไว้เขาตัวใหญ่ขึงขังจริงจังมาอยู่กับครูบาหงโปสามปีก็ไม่เข้าใจธรรมะอะไรเลยวันหนึ่งจึงเข้าไปหาครูบาฮงโปแล้วถามว่า แก่นพุทธธรรมคืออะไรครูบาหงโปไม่ตอบแล้วก็ไมา้ตีตีไปสมทีตีที่ไหล่สองทีตีที่หัวทีหนึ่งตีแรงมากนะทําให้ลินไซรู้สึกโกรธอาจารย์แล้วก็น้อยใจมากไม่อยู่แล้วสํานักนี้จะอยู่ที่อื่นดีกว่าจะเก็บของแล้วก็มาลาบาหงโปวางโปก็ไปหาเพื่อนของท่านแหละชี่ต้ายูขันลินไซเดินทางไปทบอาจารย์ต้ายู เขาล่าให้ฟังอาจารตา อ, อยู่ก็บอกว่าครูบาฮงโปเนี่ยตีเพื่อปวดเพื่อความทุกข์ของเจ้าพอได้ยินเท่านั้นแหละลินไซก็รู้แจ้งในวันทีเลยเข้าใจเลยว่าโดนตีเพราะอะไรจึงเดินทางกลับไปหาครูบาฮงโปขณะนั้นท่านกาลังสอนธรรมะลูกศิษย์อยู่ทันไปถึงก็ทักทายกันครูบาโม ถ, ถามว่า เจ้าตาอยู่อ่ะมันพ่าเผออะไรกับเจ้าวันหน้าถ้าเจออีกต้องตเฮคเ็ตลินไซเกิดขึ้นว่าไม่องรอคราวหน้าหรอกเอาตอนนี้เลยลัษณ์สิไม่คาดฝัน้็นเกิดขึ้นก็ตบหน้าคูบาฮวงโป๊ดต่อหน้าโยมลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังทำอยู่มากมายแต่แทนที่คูบาฮวโบ๊จะโกรธนั่นกับยิม้มแล้วว่าไอ้นี่มันบางอาจมารูมหนวดเสือสักพักหนึ่ง ลินไซก็โก้ปเรีเยรให้ตีนของคุบะฮงโปรเรียรแบบด้วยความรักและศรัทธาจอาอย่างยิ่งเรื่องนี้ก็จบอันนี้คือใช้ความโกรธใช้อารมณ์น้อยใจให้เป็นประโยชน์ธรรมะที่มาพูดวันนี้ส่วนมากจะเน้นธรรมะที่แสดงแบบนอกแบบไม่ได้อยู่ในแบบเพราะในแบบ่ส่วนมากจำจากหนังสือมาพูดถ้านอกแบบคือการชีร้เห็นอารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์ที่เกิดซึ่งได้ผลกว่าแต่มันก็เสี่ยงเพราะว่าคนมีปัญญาไม่เท่ากันถ้าไปพูดกับคนที่ไม่เข้าใจก็มีเรื่องได้แต่พูดกับคนเข้าใจเนี่ยก็ให้เกิดปัญญาได้แต่ก็ชี้เราเห็นอารมณ์ได้คือผู้พูดพูดมายโยมฟังเนี่ยทุกครั้งเนี่ยไม่ได้คิดสอนโยมหรอกสอนตัวเองสอนตัวเองมากกว่าโยมจะฟังไม่ฟังโยมจะชมจะตในะเรื่องของโยมแล้วเพราะว่า เราบวชมาเพื่อสอนตัวเองไม่มีหน้าที่สอนคนอื่นสอนคนอื่นเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยที่วัดชว์ประทานหลวงพ่อวัญญาเนี่ยท่านเคยแสดงธรรมสดๆนะมีคนดูบุหรี่ที่แถวๆลาหินโคง้งแถวๆข้างหน้าเนี่ยถ้าหลวงพ่อปัญญาเดินผ่านเนี่ยท่านดึงบุหรี่ออกจากปากคนที่สูบเลยนะแต่พาคนอื่นไปทํางั้นไม่ได้หรอกเผื่อโดนโยมด่าหรือหรือทำร้ายได้ แต่หลวงพ่อปัญญาทำได้ท่านมีบา ร, รมีอันนี้ก็ต้องดูเหนือดูใต้เหมือนกันนะบางีผู้พูดมีบา ร, รมีก็ทำได้บางทีไม่มีบา ร, รมีเรียนแบบไม่ได้ธรรมาสะสดๆแซงได้ต้องดูกราเทศะแต่บางคนก็ต้องหลงกับสภาวะที่ตัวเเข้าใจผิดอย่างคิดว่าตัวบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้มีทุกวัดเลยบางก็คิดว่าตัวเองนิพพานแล้วบางคิดว่าตัวเองเนี่ยว่างไม่เป็นอะไรกับอะไรบางก็คิดว่าตัวเองเป็นพระริยะขั้นใดขั้นหนึ่ง เราถึงทำแล้วเราละสังโยษ์สามได้แล้วอันนี้ความหลงผิดมากเลยบางครั้งตัวเองยังโกรธอยู่ตัวเองอยู่ในธาตุของนาฬิกาตกไปธาตุของอะไรเยอะแยะเราไม่เห็นบางทีถ้ามีคอนชีเนะหลุดจากอารมณ์นั้นได้ก็ดีแต่บางทีเป็นกรรมเก่าก็หลุดไม่ได้เพราะเราหลอกตัวเองก่อนว่าเราบรรลุธรรมแล้วคนที่จะดึงให้ออกจากอารมณ์นั้นได้เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ า, วาทาไปก็โกรธ แต่คนที่คิดว่าตัวบรรลุธรรมกับคนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยคนที่ไม่บรรลุธรรมดีกว่าเพราะมีโอกาสฝึกตนแล้วก็ไม่ยกตัวเองเหนือคนอื่นแต่คนคิดว่าเป็นพระริยาเนี่ยม่นจะอยู่แบบเราเต้งไงบอกคนอื่นว่าต่ำกว่าทําให้มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยเสียสองต่อแนละ้วทางโลกก็เสียทางธรรมก็เสียทางโลกนี่แบบคนไม่อยากคบคุยกับใครก็ไม่สนุกทางธรรมตายไปก็ไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนที่ตัวเองปรารถนา เสียสองเด้งเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าขณะปัจจุบันว่าเราเนี่ยยังไม่บรรลุอันที่เสียต่อเดียวเราก็ทําความเพียรแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้เพราะว่ากิเลสจะหลอกให้ไปสอนคนอื่นเป็นแบบเป็นฟุ้งมึนแฟงเลยสอนให้สอนคนอื่นเพื่อสอนอกิเลสตัวเองแต่ผู้ปัญญาจะสอนตัวเองไม่สอนคนอื่นสอนตัวเองก่อนคืออยู่ไว้สอนทีหลังนั้นความโกรธ ถ, ถ้ า, าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เอามาสอนธรรมะเราได้สอนใจตนเอง แค่ใช้ไมเป็นก็เป็นโทษเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงบิดเบียนคนอื่นบิดเบียนตัวเองได้ฉะนั้นอันนั้นความโกรธจึงให้คุณได้โทษอยู่ที่เราจะมองแบบไหนอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญายิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ให้เข้าถึงธรรมะได้ด้วยกันทุกคนเธอ